แต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะจําได้ว่าไอตอนที่ได้ยินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนนั้นตัเองอยู่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่บนรถอยู่ในวัดหรือว่ากําลังเดินทางอยู่นเชื่อแนวว่าทุกคนจําได้แล้วก็คงจะ เหมือนกับเหตุการณ์ที่หลวงพ่อได้ลับสังขารไปเชื่อว่าผ่านไป10ปี20ปีแล้วคงจะระลึกได้ว่าตอนที่ได้ยินข่าวครั้งแรกนี้เราอยู่ไหนอยู่ตรงไหนเวลาไหนเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลนะต่อความรู้สึกของเรามาก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 ไม่มีพิษไม่มีภายอะไรแต่มันก็ชื่อเห็นว่าคนเรานี่เมื่อมีความโกรธมีความเกลียดแล้วนี่อะไรอะไรก็สามารถจะเป็นอาวุธสามารถจะกลายเป็นสิ่งทำลายล้างได้อย่างที่เราทราบคนดีคนที่เขาขับเครื่องบินชนตึก World Trade นะเขาก็มีอาวุธไม่เท่าไหร่นะ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 ถ้านับดูแล้นี่คนที่ตายสืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้น่าจะหลายแสนเผลอๆจะเป็นล้านด้ซ้ำเพราะว่ามันก็นาไปสู่สงครามที่ตามมาในอัฟก า, านิสถานในปากีสถานในอิรักแล้วตอนนี้ก็ลามไปถึงตะวันออกกลางซีเรีย เลบานอนปาเลสไตน์ลามไปถึงแ <c oughs> อฟริกาไรบีเรียสูดานอยกหลายประเทศทีเดียวนะที่ตอนนี้กำลังสู้รบข่าฟันกันอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์นี้แหละ11กันยารวมถึงที่ภาคใต้ของเรานะ พักตางเราสารจอดขนาดพักตานี่ตายไปเป็นห0 0 0ันกว่าคน6 0พ0แล้วมั้งนี่เฉพาะช่วงตั้งแต่ปี47อันนี้ก็เป็นผลซื้อเนื่องมาจากเหตุการณ์สิเบัญญาเหมือนกันมันกระทบกลัางไก ล, ากลามากทีเดียวทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะความโกรธความเกลียดที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจผู้คน อย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีความโกรธความเกลียดแล้วมันก็สามารถจะทำอะไรให้เป็นอาวุธได้นะเครื่องบินที่เขาใช้ขับนะในทางที่ไม่ใช่รบพุ่งก็สามารถจะใช้เป็นขีปนาวุธถล่นะทมทลายตึกไดนะ้มีคนก็พูดไว้ว่าคนเราเนี่ยทุกคนนี่ก็เหมือนกับ จรวดที่ยังไม่จุดชนวนคนเราทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะในความหมายที่เป็นปุตุชนนะทุกคนเลยเนี่ยเปรียบเส ม, มือนกับจรวดมันก็ระเบิดที่ยังไม่ได้จุดชนวนแต่มันพร้อมที่ระเบิดใส่ผู้คนได้อะไรที่จุดจุดชนวนให้ระเบิดได้นะก็คือความโกรธความเกลียดเมื่อมีความโกรธความเกลียแล้วนิ่มก็สามารถที่จะเข็นฆ่าทำร้ายคนได้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 แต่ว่าถ้าทาให้ใครตายแล้วนี่มันมันสายเกินไปนะที่จะทำให้เกิดการคืนดีกันได้เหตุการณ์เสด็จกันยายมันก็มันสะท้อนเห็นถึงเนี่ยว่าคนเรานี่มันเป็นระเบิดที่ยังไม่ได้จุดชนวนโดยแท้เลยถ้าโกรธเกรยียดเมื่อไหร่นยก็สามารถจะสร้างความชิด p ายให้เกิดขึ้นได้ไม่ต้องมีอาวุธมันก็ทำให้ สิ่งธรรมดารรมดากลายเป็นอาวุธขึ้นมาได้แต่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันก็เชื่อเห็นเล้วะว่าความรุนแรงนี่มันไม่ใช่คำตอบเลยอย่างเช่นพอสหรัฐอเมริกาเจอเหตุการณ์สะเบกัญยาก็แก้แค้นตอบโต้โดยการไปถลม่มอัฟกานิสถานไปถล่มอิรัก จับซาดามุฮัตเซนมามาประหารชีวิตแล้วมันจบไหก็ไม่จบนะมันก็เท่ากับเป็นการปลู ก, กระตุนเลาให้ชาวมุสลิมจำนวนมากนี้ซึ่งเครียดแค้นชิงชังนะก็ตอบโต้ถ้าไม่มีไม่มีอาวุธอะไรมากมายก็ ทำตัวเป็นระเบิดพลีชีพเลยระเบิดพลีชีพนี่มันก็แสดงให้เห็นนะว่าเนี่ยมันยิ่งกัย้ําว่าคนเราทุกคนเนี่ยพร้อมจะเป็นระเบิดที่สามารถจะทํำลายใครก็ได้ไม่มีอาวุธอะไรมากก็เอาแค่ระเบิดก็พอติดตัวสามารถจะไปถล่มตึกทำตึกถล่มเครื่องบินถล่มสนามบินให้พังพินาศได้ แล้วก็สู้รบตงมือกันอย่างนี้แหละนะต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยถูกถูกกระทาก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้แค้นพวกที่เอาเครื่องบินไปชนตึก World t เ a d ด c e n t e r นี่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้กระทานะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทาเขาถูกกระทาเพื่อรวมช่างเขาถูกกระทำเขาก็ต้องตอบโต้ ทุกฝ่ายก็คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทำแลว้วเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้แค้นพอแก้แค้นไปอีกฝ่ายหนึ่งถูกแก้แค้นก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องตอบโต้แล้วมันก็เลยตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาจนไม่จบสักทีแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นอย่างที่บอกตอนนี้มันก็ไม่ได้จบแค่ รับการยึดานปากีสถานนะมันระบาดไปอิรักมันระบาดไปซีเรียนะระบาดไปเลบานอนระบาดไปตะวันออกกลางระบาดไปแอฟริกาแล้วก็มันยังคอยโผล่มาเป็นครั้งคราวในอังกฤษบ้างสเปนบ้างยุสอเมริกาบ้างนะไม่จบไม่สิ้นสักทีอันนี้แหละหนะ้าที่พระเจ้าตัดไว้นะเป็นสัจธรรมความจริงมา 2,000 กว่าปีแล้วนะวเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรนะแต่ระ ง, งับโดยการไม่จองเวรเลามาดูในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็รู้แล้วแต่เป็นพเพราะไปรกอบการทำเียนกับเขาอย่างอเมริกานี่ที่ถูกบิเลเดนนะเล่นงานเบลเลเดนเป็นใครเบลเลเดนก็เคยได้รับการฟูมฟักจากอเมริกา พอบิลเดนนี่เข้าไปไปก่อสงครามกับรัเสเซียรัเสเซียมาไปยึดครองอัฟกานิสถานบิลเดนก็ไปไปต่อสู้เพื่อขับไล่รัสเซียจากอัฟกานิสถานบิลเดนนี่ก็ไม่ค่อยมีอาวุธอะไรมากสหรัฐอเมริกาก็สั่งสนุนให้ทุนให้อาวุธบิลเดนในการติดสร้างกองกําลังขับไล่รัสเซียจนสําเร็จนะ และเป็นไงเบลเด้นในสุดก็เอาปืนที่ได้รับจากอเมริกานี่แหละเอาอาวุธที่ได้รับจากอเมริกานี่แหละมาใช้ในการถล่มอเมริกาซะเองอันนี้เรียกว่าให้ทุกแก่ใครทุกนั่นถึงตัวนไปไปสนับสนุนใครให้ไปกาะกรรมทำเค้นแก่คนนั่นคนนี้ไอคนนั่นแหละนะสักวันหนึ่งมันจะกลับมา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 เกิดการตอบโต้กลับมาหมุนเวียนเป็นวัตจักไม่จบไม่สิน้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มชนเท่านั้นนะแต่ว่ากับบุคคลก็เป็นเช่นเหมือนกันเวลาเราทำก่อคำทำเข็นกับใครนะไม่ว่าด้วยคำพูดหรือการกระทำในสุดก็ต้องรับกรรมจากการกระทำนั้น มันเหมือนอะไรเหมือนบูมเมลังนะเวี่ยงไปในสวนบูมเมลังก็เวี่ยงกลับมากดแห่งกรรมนี่เป็นกฎแห่งการสะท้อนกลับทำทำชั่วกับใครไว้นะความชั่วนั้นก็ย้อนสะท้อนกลับมาที่ตัวเองแต่ถ้าทําความดีกับใครความดีนั้นก็ย้อนสะท้อนกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันสร้างทุกเหตุให้กับใครทุกนั้นก็กลับย้อนกลับมาถึงตัว แต่ถ้าสร้างความสุขให้กับใครความสุขนั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเรานะพระเจ้าแต่ว่าผู้ให้ความสุขย่อมแต่ลความสุขในทางตรงข้ามนไปสร้างความทุกข์กับใครนะความทุกข์นั้นก็กลับมาถึงตัวเองเหมือนกันนี่มันมันสอนสะท้อนสัจธรรมได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวพูดนี่นะเราก็ต้องเมื่อเราเจอ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 จองเวกับพระพุทธเจ้ามากเลยลก่อคำทำเพียงแก่พระพุทธเจ้าอาทีแรกก็มีความมาักใหญ่ไฟสูงอยากจะปกครองคณะสงฆ์สืบต่อจากพระพุทธเจ้าขอพุทธเจ้าวันเนี่ยจะขอปกครองแทนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปฏิเสธนะบอกว่า แม้แต่โมฆคราณสัฤบุตรพระองค์ก็ยังไม่ได้มอบหมายให้ปกครองคณะสงฆ์เลยนะและจะมอบหมายให้ท่านใช้ว่ารากศพนะซากศพอย่างเธอนี่ปกครองคณะสงฆ์ได้อย่างไรนะเพราะว่าพระเทวทัานนี่พฤติกรรมก็ก็สอสแสดงว่าไม่เป็นคนที่ใยมักใหญ่ใยสูงติดในลาบศักดิ์ะมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วพระองค์ก็จึงไม่ ไม่มีความไว้วางใจเพราะเทว่าถ้าก็โกรธแค้นมากก็หาทางที่จะโปรงประชนพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่าถ้าพระเจ้ า, าปรินิพพานหรือสิ้นพระชนนะตัวเองก็จะสามารถเป็นใหญ่ได้เพราะว่าวางแผนไว้แล้วสร้างแนวร่วมกับพระเจ้าชาติศัตรูสนับสนุนให้พระเจ้าช า, ชาติศัตรูยึดอนานาจจากพ่อคือพระเจ้าพิมพิศาร น, นี่เป็นนักการเมืองโดยแท้เลยนะพร ะ, พระเทวทัตเนี่ยพราคิดว่าถ้าตัวเองนี่มีได้การบนับนุนจากพระเจ้าชาติศัตรูก็สามารถจะปกครองคณะสงฆ์ได้ก็ร่วมมือกันนะพยายามที่จะรอบลงประ ช, ชาชนพระเจ้าจ้างคนมายิงธนูเพื่อลอบสังหารพระเจ้าบ้างหรือว่ากลิ้งหินนะเพื่อที่จะทับพระองค์บ้าง ใครที่ไปเขาคิชโกดน ะ, ะมาคุเทกคงจะชีนะว่าตรงไหนเป็นจุดที่พระเทวทัตนี่กลิ้งหินใส่พระ เ, เจ้าแต่ว่าไม่ไม่สำเร็จผลพองค์ก็เพียงแต่ได้รับเศษหิ น, นห่อพระบาทห่อเลือดห่อพระโลหิตที่พระบาทก็ยังไม่ยอมแพ้นะ ก็ยังได้หลวนขนควานะที่จะทำร้ายพรทเจ้าสั่งการให้ช้างนาราคิรีมามาทำรายพระองค์แต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จพุทเจ้าก็ใช้พระเมตตานี่นะสะกดช้างนาราคิรีอันนี้เห็นได้ว่าเทแถวประานนี่ก็ทำหลายๆอย่างนะแต่ว่าพระองค์นี่ก็ไม่ตอบโต้เลย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 ขอเป็นใหญ่ในแบบของตัวคือว่าแยกแยกคณะสงฆ์ออกมามีพระก็หลายร้อยรูปนี่แยกออกมาด้วยความไม่รู้อันนี้เป็นอนันตรียกรรมเลยนะสังกเพศแต่ว่าก็ทำได้ไม่สำเร็จนะภาษารีบุตก็สามารถที่จะเอาโน้มน้าวพระที่แยกตัวออกมานี่กลับสู่คณะสงฆ์ได้พระเทวทัตเมื่อรูตัวเอง ทำไม่สําเร็จนี่ก็เสียใจมากทําอย่างไรทําไรก็ไม่สําเร็จแล้ถึงจุดหนึ่งก็เกิดความสํานึกผิดขึ้นมาอยากจะไปขอโทษพระพุทธเจ้าตอนนั้นอาพาธแล้วน่ยผิดหวังมากจนป่วยไอ้ฤทธิ์ี่มีนี่ไม่ช่วยเลยนะพระเทวทัตที่มีฤทธิ์เยอะนะมีฤทธิิ์บากแต่ว่าไม่ช่วยเลยเพราะว่าอทธิ์ฤทที่มันไม่ได้ช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้ ปรับทำไมมีความทุกข์มากขึ้นเพราะว่ามันทำให้กิเลสเฟื่องฟูยิ่งกิเลสมากเท่าไหร่ทุกข์ก็ยิ่งมากตามมาด้วยผิดหวังจนล้มป่วยก็ให้พระนี่แหละนะลูกศิษย์เนี่ยช่วยหามไปเพื่อจะไปขอขามาพระเจ้าอันนี้เห็นเลยนะว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ตอบโต้ด้วยด้วยเวรด้วยการจองเวร แต่พระองค์ก็ใช้คุณธรรมก็สามารถจะทำให้พระเทวทัตในที่สุดสำนึกผิดได้ทดลองนึกภาพพระพุทธเจ้าตอบโตเทวทัตพระเทวทัตนี้ด้วยด้วยความรุนแรงหรือว่าด้วยการกันแกล้งแก้แค้นอาจจะไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ความรุนแรงแบบโลกโลกนะแต่ว่าหาทาง กีดกันกล่าวประนามหรือว่าขัดขวางพระเทวทัตนี่ก็คงจะเรื่องก็คงจะยืดเยื้อแต่พระองค์ก็ไม่ทําอย่างนั้นเลยในสุดนะก็สามารถจะชนะใจพระเทวทัตได้พระเทวทัตเกิดความสนึกผิดขึ้นมาพยายามที่จะมาเฝ้าเพื่อเจ้าเพื่อขอขอขอมาแต่ไม่สําเร็จนะถูกทรณีสูบ ลงนรกนะแม้กระั่งผู้เจ้ากับพยากรณ์ว่าพระเทวทัตจะได้เป็นพระปฏิเจ้พุทธเจ้าในอนาคตการถึงแม้เลวร้วายยังไงนะส่วนดีก็มีนะโดยเพราะเมื่อมาสำนึกผิดได้ในภายหลังเมื่อสำนึกผิดได้ในภายหลังก็ก็ทําให้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เป็นพระเทเจ้าในอนาคตอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ย เมื่อการที่จะไปจองเวรกันนี่มันไม่ทำให้เวรยุติได้การไม่จองเวรต่างหากนอกจากไม่จองเวรแล้วเนี่ยอาจจะเอาใช้ความดีแลเข้าสู้ด้วยเข้าสู้ไหมคราบว่าตอบโต้ด้วยความดีไม่ใช่แค่ไม่แก้แค้นเท่านั้นนะแต่ว่าทาความดี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 แล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยก็ไม่ควรใช้ไม่ควรทักกับตัวเราเองนะแต่ว่าควรชักชวนผู้คนหรือหมู่ชนของเราให้ทำนะกับคนกลุ่มอื่นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทำนี่ควรจะให้ความใส่ใจบางคน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 หลวงพ่อท่านก็พยายามที่จะสงวนรักษาพื้นที่แถวเนี้ยไว้ไมให้เป็นป่าขอร้องเขาอย่าว่าอย่าตัดเลยนะท่านก็พยายามอยู่กับหลวงพ่อบุญธรรมก็เช่นเดียวกันก็พยายามช่วยกันรักษาพื้นที่ตรงเนี้ยไว้ให้เป็นป่าไม่ให้เขาตัดแต่เขาก็ไม่ยอมนะเขาก็พยายามตัดพยายามเรื่อยนะหลวงพ่อนเราท่านเคยไปขวางเอาไว้ เขาไม่พอใจมากเนี่ยยิงปืนใส่เลยนะยิงปืนขู่ต้อบอกบอกรถต้นไม้นี่บนเนื้อศีรษะท่านล่ว ง, ลวงกล่าวเลยยิงปืนขู่เนื้อศีรษะเฉียศีรษะไปแต่ท่านก็ไม่หวั่นเกรงนะและท่านก็ไม่ได้โกรธเขาก็เพียงแต่ขวางเอาไว้เท่านั้นแหละไม่ได้คิจดจะด่าหรือโจมตีเขาแต่ว่าขนาดที่ยิงปืนขู่ท่านก็ไม่กลัว าใจก็ไม่หวั่นไหวทั้งๆก็เจอมาอเยอะนะแต่ว่าก็ไม่เคยตอบโต้อย่างมากก็อย่างมากก็ก็ล่าถอยหรือว่าทันหลังให้เท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีการไม่มีการไปสู้รบตกมือด้วยมีแต่ใช้ความเมตตาความความใช้ธรรมะนี่นะเข้าสู้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 วัดไปแล้วนก็ควรพยายามรักษาศีลให้ได้แล้วควรรักษาธรรมให้ได้เหมือนกันทำมาค้าขายก็ใช้ความซื่อสัตย์สุสจริตแล้วก็เจอใครมามากันแกล้งทำร้ายนะหรือว่ามาเอาเปรียบนะก็ไม่ตอบโต้ในลักษณะการจองเวรนะถ้าจะตอบโต้ก็ตอบโตัวได้การไม่จองเวร หรือว่าหยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้อันนี้แหละเป็นวิสัยของชาวพุทธอ่ะข้ามี่จะพูดกับท่านนี้น ะ, ะกราบพระ